พระธรรมเทศนาแผ่นที่สองลำดับที่เกโดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่เกธันวาคม2556น้าหนวัดประชานิยมจังหวัดกาลสินมีชื่อเรื่องว่าปฏิบัติบูบชา พระมาเจ้โลกังเทปเทสามปันเทกัดอันจเรอันเทวรังยังจัา สันเตียนตาสัตสามราชาขันธติกาเทเสณทุธรรมอานอกร วันนี้ได้เห็นคณะสัตย า, าติโยมเยอะหลวงพ่อเองเคยมาแต่สมัยทุดงเที่ยวทุดงถ้าคิดคิดดูแล้วเดี๋ยวนี้ก็ประมาณสักเกือบสามสิบปีให้หลังกบลังที่มาวัดประชานิยมเลยนะมาเห็นข่าวในโหรู้สึกทาวรวัตถุท่านเจ้าคุณของเรา สร้างท้าวรวัตถุให้ลูกให้หลานเต็มไปหมดเลยคราวนี้ก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะได้มาพบคณะสัทธาตาิโยมมาในงานท่านเจ้าคุณแต่เคยมาหลว ง, งพ่อเมืองอยู่นะหลวงพ่อเมืองมาสองหรสามปีเลยติดต่อกันแต่ท่านวัดของท่านเจ้าคุณก็รู้จักท่าน มานมนานเหมือนกันนะไปมาหาสู่กันอยู่ไปที่ไหนก็เจอกันอยู่บ่อยแต่ก็ไม่ได้มาวัดของท่านแต่ตามไม่จริงท่านก็ไม่ไปวัดหลวงพ่อเหมือนกันนะแต่เมื่อกี้เนะี่ยนว่าท่านไปผูก้อนแต่ท่านไปผูก้อนก็ใกล้ๆวัดหลวงพ่อนะั่นต้องผ่านหน้าวัดหลวงพ่อไปนะั่นแหละขึ้นผูก้อนนะถ้าว่าไปทางโน้นถ้าเห็นกำแพงยาวๆเลยใช่ละกาแพงยา ว, ยาว ทางอำเภอ น, น, นาอยูนก็ผ่านวัดภูก้อนไปเพราะนั้นคณะทาญาติโยมนะไปทางโน้นเลยนะไปแวะไปกราบพระวัดภูก้อนวัดภูก้อนพระวัดภูก้อนสวยนะ เ, เป็นหินอะไรวะหินแคลลาลาคือประเทศแคลราลาอิตาลีเป็นหินขาวสวยงามมากหลวงพ่อเลยบอกว่าถ้าใครก็ตามไปเมืองอุดร ไม่ได้ไปกราบพระศรีหาสายญาติผูกก้อนไปว่าไปไปยังไม่ถึงเมืองอุดอรท่านหลวงพ่อว่านนะไปดูๆนะจริงอย่างที่หลวงพ่อพูดไหมสวยนะที่ก็ผ่านหน้าวัดของหลวงพ่อจุเขตอำเภอนายูงที่ทำเลก็ดีมากนะแต่หลวงพ่อลงมาคราวนี้ท่านอาจารย์พระครูที่เป็นลูกศิษย์ของท่านพระเดชพระคุณไปนิมนต์ ที่วัดหลวงปู่จามหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออินถวายของพวกเราเนี่ยเป็นหลานของหลวงปู่จามนะหลวงปู่จามเนี่ยเป็นหลวงอา <Magn> <ium> เป็นน้องชายพ่อของของหลวงพ่อเพราะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่จะพระราชทานเพลิงสริละของหลวงปู่จามหลวงพ่อก็เลยได้ลงมาจะว่าพ่องานเขาใชจะไหวแม่งานก็ใช่จะวาลูกงานก็ใช่ ก็เลยต้องมาประจําอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ก็วันที่หมกราวันที่หมกราที่จะถึงนี่แหละยังไม่ถึงเดือนนะวันที่วันที่เ้วใช่ไหมวันที่ห้ามกราเป็นวันพระราชทานเพลิงสรีระขององค์หลวงปู่จามเวลา 17.00 นอเพราะนั้นขอแจ้งข่าวนะข้าราาญาติโยมทุกคนนะไปร่วมทําบุญจากนี้ไปไม่ไกลเนี่ยหลวงพ่อมาแป๊บเดียวเอง ไม่ถึงชั่วโมงมั้งจากคำเชีอีมาที่นี่เนี่ยมากาลสินเนี่ยใกล้นิดเดียวเองขอเชิญลูกหลานคณะสัทธาตาิโยมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์น้องนุ่งทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าหากว่าไม่ได้รับดีการนิมนต์หลวงพ่อเองในนามสายโลหิตหรือว่าเป็นธรรมทายาทของท่านหรือว่าธรรมทายาทของท่าน เพราะว่าเคยอยู่องค์หลวงปู่จามนะบวชเข้ามาแล้วก็อยู่กับหลวงปู่เป็นหลวงอาและก็เป็นเชื้อสายโลหิต ด, ด้วยเพราะฉะนั้นขอหลวงพ่อเองก็ไปที่ไหนหลวงพ่อบอเออข อ, อ, ข อ, อกราบลาธนานิมนต์ครูบาอาจารนะเนอร์ทางคาว่าไม่ได้รับนิมนต์เกิดหลวงพ่อเนี่ยแหละนิมนต์เดียวนี้แหละถ้าได้ยินแล้วก็แล้วก็บอกบอกต่อกันไปด้ว ย, ยนิมนต์ศรัทธาญาติโยมกูเหมือนกัน ขอเชิญไปร่วมงานเนอะงานหลวงปู่จามแต่วันนี้บางบางคนนะบางท่านบอกาโอ้ทำไมหลวงพ่ออินมาพูดในงานวันเกิดของท่านเจ้าคุณวันเกิดข้าท่านเจ้าคุณเป็นวันมงคลมหามงคลทำไมหลวงพ่ออินจึงมาพูดเรื่องงานพระราชทานเพลิงหลวงพ่อบอกว่าสำหรับกรรมฐาน ต้องให้คิดถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกถ้าหายใจไม่เข้าก็ใช่หายใจไม่ออกก็ใช่เพราะนั้น เ, เรื่องกรรมฐานต้องลำลึกถึงความตายไ้อยู่เสมอคือเรื่องลึกลึกถึงความตายนั่นแหละคือมองคลเรื่องมองคนนละเพราะะนั้นหลวงพ่อเองเนี่ยที่วันเกิดของท่านเจ้าคุณก็เถอะนะหลวงพ่อเองกหลวงพ่อเนี่ยบอกเลยนะคือกรรมฐานเนี่ย พระกรรมฐานลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องกลัวกลัวแล้วไม่กลัวก็เท่านั้นแหละไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นอย่า ก, กลัวดีกว่าต้องให้รอบขอบเอาไว้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงบอกกล่าวนะีคณะสัตยา จ, จมและกัวันก่อนของหลวงพ่อโดนนุ่นลงไปสมเด็จพระสังฆราชเมื่อวันที่8ไปสวดพระอภิธรรมอยู่ที่นูน่นที่ตำหนักเพชรเป็นเจ้าภาพนะ เป็นเฉพาพสวดพิธรมแลก็รู้สึกหัวคนเยอะนะตรงพ่อก็ได้พึ่งขึ้นมาเมาื่อคืนเนี่ยไปคืนเดียวไปนอนที่น้นก็คืนเดีย ว, วก็กลับขึ้นมานี่แหละอันนี้ก็คืองานอาของหลวงปู่จามมหาปุญโยที่ท่านอายุร้อยรยสามปีกว่านะแต่าบางคนก็ว่าร้อยสองปีกว่า แต่ไม่รวดเท่าไหรหลวงพ่อกไม่ได้ชักไซไลเลีเยงแต่ถึงยังไงก็เกิดก่อนหลวงพ่อก็แล้วกันเพราะเราเกิดที่หลังนะใช่ไหมบางทีก็ไล่ทชิดไล่ถูกนะแต่ท่านเกิดปีจอนะ เ, อเกิดปีจอแต่เจ้าพระคุณสมเด็จนี่เกิดปีฉลูหลวงตามหากระบัวก็เกิดปีฉลูแต่หลวงปู่จาม เ, เกิดปีจอหลวงปู่ล่าเกิดปีกนะุะ ตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเริ่มแสดงธรรมแล้วนะที่นี่นะถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่หลวงพ่อได้มางานอายุวัฒนะมงคลประเดศพระคุณพระเทพสารเมธีวัดประชานิยมตำบลกาลสินอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะับว่าเป็นวัน มงคลมหามงคลยิ่งพร้อมกันก็เห็นคณะสัตทาญาติโยมที่มารักษาศิลุโบโสถชีพรามที่มาในงานนี้ก็เพื่อเป็นมุทิตาสักการะในพระเดชพระคุณที่เป็นวันเกิดของพระเดชพระคุณของพวกเราต่อไปนี้ก็พวกเราควรจะทั้ง รักษาศีลด้วยฟังเทศด้วยปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ให้ทานด้วยให้ทานรักษาศีลภาวนาให้ครบทั้งสามทั้งสามกลุ่มเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับพวกเราที่ได้มาแสดงมุทิตาสการะในประเ ด, ดพระคณของพวกเราันตอนนี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสัมโมทนิทนิยกฐานะที่นะีนะ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 วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเพราะนั้นคณะสัตยาญาติโยมทุกทุกท่านที่ได้มาร่วมงานวันอายุวัฒนะมงคลพระเดชพระคุณพระเทพสารเมทีที่ชื่อจริงของท่านชื่อบัวสี สุตินธโรพวกเราในฐานะสิทธิานุสิทธิ์ได้มาแสดงมุทิตาส ก, การะเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ได้มากล่าวสัมโมทธนิยกถาเพื่อเฉลิมฉลองเพื่อเป็นสิริมงคลพวกเราจะได้ฟังแนวความคิดของครูบาอาจารย์แต่ถึงยังไง วันนี้หลวงพ่อเองก็มี Mp3 มามามอบให้ท่านพระเดชพระคุณท้าว่าผู้ใดสนใจอยากจะฟังเท็จของหลวงพ่ออีกแนวความคิดของหลวงพ่ออีกหลวงพ่อก็จะมอบให้ท่านพระเดชพระคุณเป็นผู้แจกคณะสัายาิโยมเพื่อได้นำไปฟังเพื่อการศึกษาแต่หลวงพ่อเองก็มั่นใจที่หลวงพ่อได้พูดได แสดงไปหรือว่าพูดใน MP3 นั้นหลวงพ่อก็มั่นใจะจะเกิดประโยชน์ต่อผูด้ได้ยินได้ฟังเพราะหลวงพ่อเองจะถ้าจะเล่าประวัติประวัติของหลวงพ่อเองนะหลวงพ่อเองได้ฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนายาวนานทีเดียวเกือบตลอดว่าทั้งชีวิตเดี๋ยวนี้อายุของหลวงพ่อเนี่ย้ปีนะลูกหลานนะ เดือนเมษาที่จะถึงนี่ก็แปลว่า69ปีเต็มจะย่างเข้า70ใช่แล้วไม่ใช่พระน้อยพระหนุ่มแต่หลวงพ่อเองกระบวดมากับหลวงปู่ล่าตีนเขาภูเจาก้อมุกดาหารนี่ภนะูเจาก้อนะเป็นสมัมมนเปีนห้าร้0ยนะครับนัาญญาติายาจงลูกหลานจากนั้นพอครบพระก็ได้บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาปีศูย์บวชเป็นพระจากนั้นก็ได้อยู่กับหลวงปู่ล่า เป็นเวลาเป็นเนน8เป็นพระ19ึ่งเาพรรษาจากนั้นก็มาอยู่กับหลวงอาหลวงปู่จามที่ท่านลงมาจากเชียงใหม่มาเยี่ยมโยมย่าของท่านเยี่ยมโยมแม่ของท่านโยมแม่ของท่านก็คือโยมย่าของหลวงพ่อเพราท่านไม่มีหมู่ท่านก็เลยเข้าไปเทศนาว่าการทุกเจ็นไปโปรดโยมแม่ของท่านหลวงพ่อเองก็เป็นปัจชาสมะนะคือเดินตามหลัง ไปฟังธรรมเทศนาของหลวงหลวงอาที่ท่านเทศให้โยมย่าฟังจากท่านท่านก็ได้กลับขึ้นไปทางเชียงใหม่พอจากโยมมารโยมยา่าโยมแม่ของท่านท่านมาอยู่ได้ปีกว่ากว่าโยมย่าก็ได้มรณะลงไปตายลงไปจากนั้นท่านก็ขึ้นไปเชียงใหม่หลวงพ่อเองก็ได้ตามท่านขึ้นไปทางเชียงใหม่ไปจำมันสายอยู่กับหลวงปู่แวน หลวงปู่หนูที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นีหลวงพ่อเคยไปอยู่กับหลวงปู่แหวนนะไปอยู่ที่นุ่นจากนั้นหลวงปู่จามก็ขึ้นไปรับลงมาถ้าญาติพี่น้องก่นนี่มลหลวงปู่จามกลับมาอีกเนี่ยพอกลับมาอีกหลวงพ่อก็ได้เลิกกลับลงมากับหลวงปู่จามอีกเป็นอันว่าอยู่จําพรรษาหลวงปู่จามเป็นพระสองปีหลวงปู่แหวนปีหนึ่งปีหลวงปู่ล่าหนึ่งปี จากนั้นก็ได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดอยู่กับองค์หลวงตาตั้งแต่ปี 2,512 ถึง 2,525 25เป็นเวลา14ปีอยู่กับหลวงตาจากนั้นก็ได้ไปจำพรรษาที่อำเภอนายยงที่วัดหลวงพ่ออยู่ทุกวันนี่แหละนั่นแหละจากนั้นนับดูซิว่าตั้งแต่ปี 2,500 จนถึง 2,556 เป็นเวลาเฉพาะพระอย่างเดียวกว่า49พรรษานะลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมเป็นสัมมเนนอีก8บวกสัมมเนนกับพระเข้า4949บ49วก8ถ้าหากว่าไม่ว่าชีวิตทั้งชีวิตฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาแล้วเราพวกเราจะว่าอย่างไงเพราะนั้นชีวิตของหลวงพ่อทั้งชีวิต ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเสียใจไหมไม่ได้สร้างโลกับเขาหลวงพ่อเองภาค ภ, ภูมิใจอย่างมากพูดอย่างนั้นได้เพราะเราไม่ได้ทำอะไรที่เสียหายมีแต่สร้างคุณงามความดีมีแต่ประกอบคุณงามความดีเพราะนั้นหลวงพ่อเองภาค ภ, ภูมิใจในตัวเองว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิตได้ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นขอให้ลูกหลานคณะทศทายญาติโยมฟังสิว่า หลวงพ่อฝากฝังชีวิตไว้ในพวกศาสนานั้นหลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรนี่ได้มีประสบะการณ์อย่างไรสมัยเมื่อเป็นเนนเมื่อเป็นเด็กในช่วงนั้นหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านสองจะสอนอย่างไรต่อมาเป็นชีวิตพระหนุ่มในการที่เป็นชีวิตพระหนุ่มในช่วงนั้นมีความรู้สึกมีความเห็นอย่างไรแล้วก็มีชีวิตที่ปู น, ปนกลางคำนะรับ ผิดชอบในหน้าที่การงานและมีความรู้สึกอย่างไร จ, จะต้องมาถึงปูนนี้ที่เป็นพระผู้เท่าเข้ามาแล้วในช่วงนี้มีความรู้สึกอย่างไรนี่แหละหลวงพ่อได้ปร ะ, ประเมินหรือประมวลหรือว่ามีประสบาการณ์ในวัยต่างๆแล้วก็มาพูดลงในเอ3ให้คณะทรไทาญาติโยมลูกหลานได้ฟังว่าชีวิตเป็นเนน ได้รับคำสั่งสอนจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างไรในเมื่อเราเป็นพระน้อยพะหนุ่มมีความคึกขนองอย่างไรในเมื่อเรารับภาระจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์รับภาระในวงการประการศึกษาในช่วงนี้เรามีความรู้สึกอย่างไรในเมื่อเท่าเมื่อสูงอายุแล้วอย่างนี้นะ่แล้วมีความรู้สึกอย่างไรเพราะนั้น ขอให้คณะทายาิโยมลูกหลานทุกคนฟังหลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับด้านการปฏิบัติแต่เรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีพวกเราก็คงจะรู้แนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติพอสมควรแล้วแต่เรื่องทานเนี่ยพวกเราก็เป็นผู้เกี่ยวข้องมา ก, กันมานานแต่เรื่องศีลแต่เรื่องศีลนี่โดยมากจะไม่ค่อยสู้เท่าไหร่ ทำเป็นบางครั้งบา ง, บางการแต่ตามให่จริงศีลเนี่ยควรจะมีประจำนะคณารศัตธาญาิโยมศีล น, นี่คื อ, คอกฎระเบียบการเป็นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าพวกเราอยากจะให้ลูกหลานเป็นคนดีเราก็ควรจะทำดีให้ลูกหลานของพวกเราดูเพราะนั้นความดีนั่นคืออะไรก็คือศีลเน่ยศีลนี่คือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกัน คือสินห้าอย่างพวกเราได้มารับแต่คณะจตทายาติโยมขณะนี้ก็คือสินอุโบสถคือสินอุโบสถศิน6ศสินเจิอันนี้คือสินขัดเกลาขัดเกลากิเลสเหมือนกับพระถือธุดงถือธูดงถือดงขวัตอันนี้ก็คือสินอุโบสถแต่สินสินห้านี่คือศินคุ้มครองโลกสินการอยู่ด้วยกัน สรุปแล้วก็คือศินถ้าเราพูดให้ชัดเจนลงไปก็ว่าเรื่องศินห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาอย่าเบียดเปลี่ยนซึ่งกันละกันเนีคือศินข้อที่หนึ่งอย่าคิดฆ่ากันถ้าเราไปิดคิดฆ่าเขาเขามาคิดฆ่าเราเราไปฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าวงสาคานาญาตของเขาเขามาฆ่าวงสาคานาญาตของเราฆ่าพี่น้องพ่อแม่ของเรา เรามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อเราไปทำให้กับเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรเนี่ยสินไม่ใช่ว่าเขาเรานะเออสินข้อที่หนึ่งสินข้อที่สองถ้าไปขโมยของเขาเขามาขโมยของเราเราไปขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเรามาเรียกค่าไทยเขามาเรียกเออเอาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราไปเรียกค่าไทยเรามีความรู้สึกอย่างไรเขามีความรู้สึกอย่างไร นี่ะสินข้อที่สองข้อที่สากาเมซุมิชชาจานสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนห่วงเหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราล่ะเราเสียใจใช่ไหมเราก็เสียใจเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ึ่งกันละกันอันนี้คือสินข้อที่สข้อที่สี่มุสายากโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเราไปต้มตุนโกงโกหกเขา หลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจอย่างเราไปไม่มีเงินอย่างนี้พูดกันแล้วเราจะจ่ายเงินเป็นเช็คให้เขาเราเขียนเช็คเด้งให้เขาไม่มีเงินในธนาคารเขาเสียใจไหมเขาเสียใจถ้าเราได้ทำอย่างนั้นถ้าเราได้รับอย่างนั้นเราก็เสียใจนี่แหละโกหกทุกวันนี้มีมากหลากหลายในการโกหกเพราะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ท่านจึงตรัสไว้ว่าคนที่ชอบโกงหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีนี่แหละเอออันนี้คือสินข้อที่สข้อที่หสุราเมรยะมัชฌะประมาค ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าใครก็ตามดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ฆ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานฆ่าใครก็ได้เพราะขาดสติ ขโมยใครก็ได้เพราะขาดสติต ร, ราบละลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้เพราะขาดสติโก็หกใครก็ได้เพราะขาดสติเพราะฉะนั้นการขาดสติก็รู้อยู่แล้วดื่มสุราต้องขาดสติของมืนเม า, เ, าเดี๋ยวนี้เขาสงเคราะห์เข้าหลายๆอย่างเสพหรือดื่มเเสพยาบ้ายามา้าคัญชายยาฝิ่นเฮโรอีนอันนี้ถ้าเสพเข้าไปเขาขาดสติ ถ้าขาดจิติและทำความชั่วได้ทุกอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้เสพหรือดื่มของที่เมินเมาเพราะฉะนั้นขอให้คณะรัตทาย ญ, ญาติโยมทั้งหลายฟังให้เข้าใจเอาไว้ว่าศิลห้าของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อื่นไกลคือเขาเราถ้าเราอยากจะให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขเราก็รักษาศินการสร้างคุณงามความดีหลวงพ่อเคยย้ําเสมอว่าอย่าไปคิดว่า ให้คนอื่นทำคุณงามความดีให้นับหนึ่งจากข้าพระเจ้าข้าพระเจ้ารู้คุณค่าของศินแล้วศินห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าจริงเพราะนั้นข้าพระเจ้าจะรักษาสินนับหนึ่งจากข้าพระเจ้าต่างคนก็ต่างรู้คุณค่าของสินต่างคนก็ทับต่างนับหนึ่งจากตัวเองไปหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองไปเรื่อยก็มากไปเองแต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่อยากจะให้คนอื่นรักษาศิน แต่เราไม่อยากจะทำเหตุแต่ต้องการผลผลคืออะไรผลสินห้าน่ใครๆก็ต้องการไม่อยากจะให้คนอื่นมาฆ่าเราไม่อยากจะให้คนอื่นมาขโมยของเราไม่อยากจะให้คนอื่นมาล่าลาบประลวงสามีภรรยาลูกหลานของเราไม่อยากให้คนอื่นโกหกเราไม่อยากจะให้คนอื่นดื่มสุราและเอารถมาชนมาเฉียวเราดูถูกมาทำร้ายทําทรายเรา นี่เราต้องการผลแต่เมื่อต้องการผลถ้าตัวเองไม่รักษาไม่ไม่ทำเหตุละ่ะไม่รักษาเหตุเหตุนั้นอ่ะที่มันมาอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเหตุซะก่อนมันจึงมีผลเออแต่ถ้างว่าเราเรักษาเหตุให้ดีเออคือรักษาตามทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวเอาไว้พวกเราก็ล่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากัน แต่ทุกวันนี้ที่เดือดร้อนวุ่นวายเนี่ยนะคนขาดศีลธรรมคือขาดศีลห้านะหลงพ่อก็เลยยกเป็นชาดกให้ฟังบอกว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีอาณาถามิตรเข้ามาตอนบ่ายพระพุทธองค์ถามว่าอาณาถามิตรทาไมวันนี้จึงเข้ามาหาตอนบ่ายแต่ตามปกติอาณาถามิตรจะเข้ามาตอนเช้า ถาวายพระทหารพระสงฆ์แล้วก็ฟังธรรมเทศนาแต่วันนั้นอนาณาถามดิกเศรษฐีนคงไม่สบายใจเพราะตัวเองได้ทําอะไรเกินไปสําหรับหลานของเราหรือเปล่าเนี่ยเคยไม่สบายใจก็เลยแค่ไปกราบพระพุทธเจ้าในช่วงบ่ายพระพุทธเจ้าเห็นแปลกก็เลยถามอาณาถาบดิกาทำไมวันนี้จึงเข้ามาตอนบ่ายเพราะเป็นโยมอุปถัมปะถาไงฝ่ายโยมก็คืออาณาถามดิกเศรษฐี ถ้าฝ่ายผู้หญิงแล้วก็นางวิสาขาที่อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าแต่ที่นี่นอาณาธามดติกาเศรษฐีเข้าไปเข้าไปตอนบ่ายพระองค์ก็ถามอาณาธามิตริก็บอกว่าโอ้ข้าพระ อ, องค์ไม่สบายใจเพราะวันนี้ได้ทำํำให้หลานคือหลานคนนี้ก็เป็นลูกพี่ชายคือตามปกติบารดกก็ได้แบ่งกันแบ่งกันเสมอกัน พี่ชายพี่พี่น้องๆพอแบ่งกันเสร็จแล้วก็ต่างคนก็ต่างทำมาค้าขายต่อมาพี่ชายก็ตายแล้วก็มอบมอรดกให้กับหลานแต่หลานคนนี้ก็ชักจเหลือเกินทำมาค้าขายไปแล้วกันเนี่ยติดหมูติดเพื่อนกินเหล้าเล่นการพนันทั้งสุรานารีทุกอย่างจนทรัพย์สมบัติหมด พอหมดแล้วท่นี้ก็เข้ามาข อ, อขอกับอาน้องพอ่อเราก็ให้ไปข้าพระองค์ก็ให้ไปเพื่อเพื่อให้เขาตั้งตัวพอเสร็จแล้วก็มาเอกให้ไปเอกพอมาแล้วขอถี่ขึ้นไปเรื่อยอ้าวมันไม่ใช่คนดีใช่แล้วมันติดการพนันมันติดของไปแล้วมันไม่ใช่เอาไปตั้งตัวเอาไปถลุงนะ่ะก็เลยข้าพระองค์ก็เลยบอกว่า คนงานถ้าไอ้ น, นี้มาเมื่ อ, อไรให้ใส่คือคาใส่คอลากออกไปนะพอต่อมาจะมาอีกก็เลยใส่คือคาลากคอเขาออกไปจริงๆพระเจ้าค่า่นี่แหละข่าพระองค์เกิดไม่สบายใจจะได้มากราพระพุทธองค์ในตอนบ่ายวันนี้พระพุทธองค์บอกว่าอนาถามิติกะเศรษฐีวิญญาณคนเนี้ยวิญญาณตัวนี้เนะ่ เราตถาคตเคยเลี้ยงมาก่อนแล้ววิญญาณนี่เลี้ยงไม่เชื่องเลี้ยงไม่ไม่เจริญเลี้ยงเท่าไรก็นะเน่ยเพราะมันวิญญาณนี้มันเร็วเลี้ยงไม่พยุงไม่ขึ้นทั้ทงนี้อนนาถาบริกะเศรษฐีและกัคณะสัตธายยอดยมก็ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าพระพุทธเจา้าครับสมัยไหนที่พระพุทธองค์ได้เลี้ยงวิญญาณที่ว่าเลี้ยงไม่ขึ้นวิญญาณเนี่ย พระองค์บอกว่าสมัยหนึ่งเราสถาคตเกิดเป็นเศรษฐีตระกูลเศรษฐีชู้อยู่ที่เมืองพาราณสีพอจะนันกธรํามาค้าขายจเจริญรวยเราก็ตั้งโรงทานไว้ในสี่มุมเมืองคือสีประตูเมืองตั้งโรงทานเอาไว้ท่านว่าที่ว่าเศรษฐีเศรษฐีเป็นคนดีนะไม่ใช่คนรวยครับคำว่าเศรษฐีในครั้งพุทธกาลคือคนดี เป็นคนมีน้ำใจเป็นคคนที่มีเมตตาเป็นคนที่เสียสละต่อชุมชนต่อสังคมแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามร่ำรวยขึ้นมามิตรกรมิตรโกยมิตรกินบ้านกินเมืองอันนั้นไม่ใช่เศรษฐีนะอันนั้นแปลว่าคนคดโกงคนไม่ซื่อตรงแต่ว่าเศรษฐีต้องเป็นคนที่มีน้ำใจคนที่มีความเอือ้อเฟื้อเอื้ออารีต่อมวลมนุษยชาติ แต่เราเกิดมาพบนั้นชาตินั้นเราเป็นเศรษฐีเราตั้งโรงทานไว้ในสี่มุมเมืองแล้วก็ตั้งโรงทานไว้อีกในกลางในกลางเมืองอีกแล้วก็ตั้งโรงทานไว้ที่ประตูบ้านอีกต่างหากถ้าใครเข้ามาในละแวกนั้นก็แวะมาบ้านเศรษฐีก่อนจะเลี้ยงอาหารเขาสรุปแรกก็คือเราเลี้ยงอาหารโรงทานอยู่หกโรงในกรุงพาราณสีเราเลี้ยงอยู่ตลอด เราไปเวียนวกวนเวียนดูตลอดเกือบทุกวันเราเห็นโรงทานของเราเรามีการเสียสละต่อพี่น้องประชาชนต่อคนผลนรกสมัยนั้นพอจากนั้นมาพอเราตายพอเรามาระนะเศรษฐีตายเราก็ขึ้นสู่สวรรค์พะเรามีมีทานมีน้ำใจมีจิตใจกว้างขวาง จากนั้นเราขึ้นไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวคนหนึงเป็นพระอินทร์ไปเกิดเป็นพระอินทร์อยู่บนสวรรค์พ่อได้เป็นพระอินทร์เสร็จแล้วก็ลูกชายเรามีลูกชายคนเดียวเออก็บอกว่าก่อนที่จะน่ะบอกให้ลูกชายมอบสมบัติให้ลูกชายลูกชายกมีหน้าที่อยู่แล้วพอลูกชายได้สมบัติจิตใจไม่เข้มแข็งก็คบหมู่คบเพื่อนพ่อคบหมู่คบเพื่อนเสร็จแล้วจากนั้นเขาก็ เติดสุราการพนันพอดื่มสุราการพนันเข้าไปก็นอบายมุกทุกอย่างก็ทะลักเข้าสู่เขาหมดเอาทั้งหมดเลยพอในสุดก็มีหมูมีเพื่อนมาลเลี้ยงไม่อั้นจากนั้นก็ทรัพย์สมบัติเขลอยหลโรงทานทั้งหลายก็หมดหยุดงทานจากนั้นก็ขายบ้านขายสินค้าที่พ่อมอบหมายให้หมดตัว เออคนสุดหลบหนีจากบ้านเมืองเป็นคนขอทานไปเลยทีบนพ่ออยู่บนสวรรค์ชั้นดาวถึงเป็นพระอินทร์ก็มองลงมาเห็นลูกโอ้ลูกของเราเนาะถึงยังไงก็ยังเป็นลูกของเราเอายังเป็นเชื้อไขของเรา เ, เราควรจะไปสงคเคราะห์เขาเนี่ยเขาอาจจะกลับตัวได้ทะ่น้่พ่อลงมาจากสวรรค์ลงมากันนิลมิตรเหมือนกับพ่อตะกอ น, น ลูกชายนะเห็นพ่อก็จำได้เพราะว่าพระอินท์นิรมิตให้เหมือนกับเป็นเศรษฐีพ่อก็บอกว่าเออลูกที่รักของพ่อทำให้ลูกจึงทำตัวไม่ดีทำให้มรดกของพ่อมอบให้จบล่มจมจิบหายไปหมดเอาเถอะนลูกนะตั้งต่อ น, นี้ไปให้ตั้งตนให้ตั้งตนใหม่นะลูกนะบรรจนแล้วให้ตั้งตัวใหม่นะลูกนะกลับตนเป็นคนดีนะเอาพ่อจะประทานอมอบให้ ม่อม่อดินลูกเนื้อให้แต่เมื่อลูกอยากจะได้เงินให้ล้วงมือเข้าไปในหม้อนี่จะเอาเท่าไหร่นะพ่อจะประทานหม้อให้ก็เลยมอบมอบหม้อไปนั้นให้ลูกชายและก็สั่งสอนลูกชายให้เป็นคนดีให้กลับเนื้อกับตัวใหม่นะลูกนะลูกที่รักของพ่อนะพระอินกระพูดจะแสนดีอ่อนหวานอีต่างหากเพื่อจะให้ลูกชายกลับตัวแต่พอลูกชาย ได้ม่อใหม่ๆก็โอ้เป็นคนดีขึ้นมาทีเดียวเลยท่นีเพราะมันเคยจนมาก่อนมันเคยทุกมาก่อนเป็นคนดีอยากจะได้เวลาไหนก็ลวงมือเข้าไปแล้วก็ได้เงินออกมาจากนั้นก็ตังต้งตัวได้โดยเร็ววันเป็นเศรษฐีขึ้นมาแบบ เ, เร็วรวดเลยพอเป็นเศรษฐีขึ้นมาพวกริวล้อพวกเก่าๆทั้งหลายเห็นไอ้อันนี้เป็นเศรษฐีกน ลง ม, มาลง ม, มาตุ่มเข้ามาอีกมาเก่ออีกมาเ ก, ก, ก่ออีกมาแนะนํำสั่งสอนอีกเศรษฐีนี่ก็เป็นคนที่อ่อนแอเป็นคนที่อ่อนแอติดหมูติดเพื่อนอีกอย่างเก่าพอี่สุดกัหมูกันเนี่ยคำว่าทางเก่าเนี่ยความชั่วเนี่ยมันไหลรงทางต่ำนะมันง่ายนะมันธาตุสิ่งไหนก็ตามถ้ามันชั่วให้พวกเราคิดคิดดูก็แล้วกันนะไอ้สิ่งไหนที่มันชั่วเนี่ย มันจะไหลลงไปทางต่ำน้ำสาหรับไหลทงทางต่ำได้ง่ายแต่จะผันตัวขึ้นไปทางสูงเป็นศิลปเป็นธรรมเป็นคุณงามความดีมันผันยากเศรษฐีท่านนั้นก็ก็ลักษณะอย่างนั้นพอหมูพวกเพื่อนเข้ามาท่านนั้นก็เต็มเข้าไปได้กันทั้งสุราทั้งนารีภาชีกีลาวดเพื่อนฝูงเกาะเข้ามา เอรอมลุ่มมาต้ม อ, อีกอย่างเก่าเออก็พอกินเหล้าเข้าไปเท่นี่เมาสุราเท่านั้นแหละเอ่อคนเมาใช่ไหมละ่ะไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรอย่างไรเอ่อมรู้พอกินเหล้าเมามแล้วก็ได้ที่แล้วกัน เ, นเอาหม้อหม้อดินน่ยโยนขึ้นบนอากาศนะพอโยนขึ้นไปแล้วก็รับโยนขึ้นไปก็รับเอ่อกคนเมาเหล้าใช่ไมละ่ะ โยนขึ้นไปกับตาลลยท่นี่รับไม่ทันใช่ไหมหม้อก็เลยพลัดตกปุ๊กลงใจดินหม้อแตกะฮพอหม้อแตกตะนนี้เเอาอย่างไรเลยจะไปหาเงินที่ไหนเศรษฐีคนนั้นก็เลยพลันจนลงทันทีเลยนนั้นเจนอีกอย่างเก่าทางผู้พ่ออยู่บนสวรรมองมองดูแลโอวิญญาณโง่เนี่เลี้ยงอย่างไรก็ไม่ขึ้น ชบยังไงก็ไม่ขึ้น เ, เลี้ยงคน เ, เลี้ยงคนโง่ไงนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคณะสถาญาติโยมลูกหลานเพราะฉะนั้นลูกหลานของเราเถ้ามันไม่ดีเราจะไปเสียใจเราพยายามแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้เขาเป็นคนดีแต่เขาทําดีไม่ได้แสดงว่าวิญญาณมันเคยโง่ามาก่อนอย่างเหมือนกับลูกเศรษฐีนั่นแนหะเพราะนั้นแต่ถึงยังไงเราก็ต้องบอกกล่าวเหมือนกับ ท่านเหมือนพระอินน์ยังอดใาลงมาเมืองมนุษย์ยังมาบอกกล่าวลูกที่รักลูกที่รักของพ่อแท้ไม่ใช่ธรรมดาคําพูดของพระอินน์ลูกที่รักของพ่อเอาเถอะให้กลับตัวกลับใจใหม่นะลูกนะนะถึงขนาดนั้นยังกลับตัวไม่ได้เพราะนั้นนี่แหละวิญญาณดวงนั้นแหะที่มาเกิดที่เป็นหลานของอนาถมดีวิญญาณดวงนั้นมาเกิด มาชาตินี้ก็ยังโง่อีย่างเก่าเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามถ้าทําสิ่งที่มันไม่ดีแล้วติดภพติดชาตินะข้ารัท ธ, ธาญาติโยมลูกหลานทุกคนถ้าสิ่งไม่ดีแล้วฝืนอย่าทำเออฝืนใจของตัวเองอย่าคิดอย่าพูดอย่าทําในสิ่งนั้นเออพราะนั้นถ้าเราฝืนได้นั่นแหละต่อไปจะเป็นบัณฑิตนักปราชญ์แต่ถ้าว่าเราฝืนไม่ได้เราก็เป็นเบี้ยล่างเขาเหมือนกับชายหนุ่มคนนั้น่ะ เกิดพบไรชาติได้ก้อนนี่แหละเป็นวิญญาณเลวอยู่ตลอดอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระานาถามติกาเศรษฐีนี่แหละอันนี้สรุปแล้วก็คือเรื่องศีลศีลคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีล น, นี่แหละอันนี้หลวงพ่อพูดเรื่องศีลจะมาพูดเรื่องสมาธิที่นี้นะแนะนําเรื่องสมาธิวันนี้หลวงพ่อเองอยากจะพูดเน้นหนักเรื่องสมาธิ พอหลวงพ่อเองสมัยบวชเป็นเนนหลวงปู่ครูบาอจารย์ทั้งหลายก็สอนเรื่องสมาธิให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้ศึกษาเรื่องสมาธิสมาธิจิตสงบเป็นยังไงคณิกะเป็นยังไงอุปจาระเป็นยังไงสมาธิคือทำจิตให้สงบนั่นคืออะไรวิปัชนานั่นคืออะไรสมัถะคืออะไรวิปัชนาคืออะไรสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อเองได้ศึกษา พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่ล่าในท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องทาจิตใจให้สงบวิธีการทาจิตใจให้สงบนล้รทำอย่างไรหลวงปู่ล่าท่านจะสอนแต่มาถึงหลวงตามหาบวัวในท่านจะเน้นหนักเรื่องปัญญาเรื่องวิปัสสนาปัญญาพิจารณาอะไรพิจารณากายยังไงพิจารณาตัวผู้รู้อย่างไรพิจารณาความนึกคิดอย่างไรทาใจยังไง พวกเราถ้าได้ฟังธรรมเทศนาของหลวงตาแล้วมีแต่เรื่องกิเลสกิเลสกิเลสทั้งนั้นความโลภความโกรธความหลงเป็นยังไงท่านจะเน้นเรื่องกิเลสเพราะฉนั้นพวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนหลวงพ่อจะพูดให้ฟังว่าวิธีการเบื้องต้นที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเด็กชายอินแลเวนนอินทีแรกท่านสอนอย่างไรหลวงพ่อชอบเอามาพูดอยู่เสมอ หลวงปู่คูบาอาจารย์ท่านสอนท่านว่าเวลาก่อนจะนอนนะเราจะนอนให้เราไหว้พระซะก่อนอย่าลืมไหว้พระทุกวันไหว้พระนี่คือล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบไปทางหัวทางหมอนที่เราจะนอนน่ะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกหัวละแห่งอยู่ที่ใจของเรานั่นแหละเราไม่ต้องมีพระพุทธรูปก็ได้แต่เราต้องกราบก่อนนอนให้เราลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์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 จึงกราบพุทโธกราบครั้งที่สองธรรมโมกราบครั้งที่สมสังโฆแล้วก็กราบยกปนมมือขึ้นบนศีรษะว่านิพพานังหลวงปู่ลาท่านสอนนะพุทโธธรรมโมสังโฆนิพพานังข้าพระเจ้ากราบไม่ใช่กราบเป็นพิธีไม่ใช่กราบปลกปลกปกแล้วกระจกกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระนิพพานให้กราบอย่างนั้นนะเวลากราบอย่างนั้นก็ไหว้อลาหัง สัมมาสัมพุโทโธพระกะวาพุธทธังพระคะวันต่างกราบสวาขาโตพระกะวตาธมโม ก, โรกราบสุปฏิพโนพระกะวาตัวสาวากาสังโคสังขังกราบจากนั้นท้าวัายได้พุธทธังอะไพุธทธังสรารนาังคจ า, ามิเอราวันนะโมซะก่อนทันวันนะโมตัสสะพระคะวาตัวอรหัโตสัมมาสัมพุธทธะข้าพรเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุธทธเจ้าพระองค์นั้น อย่างนันกพุทธังสารานังขจฉามิธรมมังสารานังขจังคังสารนังขจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งรูติยามปีข้าพเจ้าขอถึงครั้งที่สองตาติยามปีข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สมจากนั้นเราจะแผ่เมตตาอาหารสุกิโตโหมิก็ได้หรือว่าทําไม่ได้ใครนึกในใจทําใจให้เน่ง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 คือแผ่เมตตาให้ครอบให้ครอบจักรวาลเลยคือเราต้องการความสุขอย่างไรทุกตัวทุกคนให้มีความสุขคล้ายๆแผ่เมตตาทําใจของเราไม่ให้ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งหมดในจักรวาลเราผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรไปกับเท่านั้นมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่เอาความทุกข์เข้ามาหาตัวเองเท่านั้นแหะเพราะนั้นอย่าอย่าผูกพยาบาทอาฆาตให้แผ่เมตตาในจิตใจ จากนั้นก็กราบพอกราบสังสามครั้งพุทโธทำโมสังโคนิพานังจากนั่งก็ น, นั่งขัดสมาธิในการนั่งสัจธรรมที่ขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วให้นั่งประนมมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนพอขาขวาทับขาซ้ายเสร็จแล้วให้นั่งไปทางหมอนนั่นที่ทางหัวนอ น, น, นจากนั้นปนมมือขึ้นระหว่าง อ, อกไหว้ไหว้พระพุทธทเจ้าพระธรรมสัพพสงซะก่อนพุทโธ ธรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรม โ, ส โ, ทโทรรรมโสังโฆ ค, คือไหว้ครูสัก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าการนั่งสมาธิเลือกปานปฏิบัติธรรมทำสมาธินไม่ใช่ของผู้ใดใครผู้หนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำสมาธิเพราะฉะนั้นเราจึงล้ำลึกถึงพระพุทธเจ้าเวลานั่งสมาธิคือไหว้พระพุทธพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนจากนั้นไหว้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วเอามือลง พอมือลงทํากายให้ตรงอพอทำกายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าท่กําำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าของเราทีทา่ท่านนี้ออกจากเวียงวังไปปฏิบัติอยู่ในป่าถึงหปีไปลอง ผ, ผิดลองถูกอยู่หกปี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 ใจของพระพุทธองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌานลำเลึกชาติผลหลังได้เรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณฮะอันนี้คือพระพุทธเจ้า อ, อในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะเพราะเหตุอะไรถ้าตายแล้วสูญจละล้ลึกชาติผลหลังได้อย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตายแล้วไม่สูญ อันนี้คือหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านบอกกล่าวท่านแนะนำสั่งสอนจากนั้นน่ให้ภาวนาหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออ ก, อ, อ, กอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าจากนั้นพอถึงเที่ยงคืนท่านก็นั่งภาวนาต่อไปอีกจิตใจพระไทยขอ ง, งองค์สงบนิ่งลงไปอีกจุตูปปาตญาการจุติและการเกิดตายของสรรพสัตว์ทั้งหลาย มองคนอื่นมองดูวิญญาณมองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกความเป็นมาของสรรพสัตว์เป็นมาอย่างไรทําไมคนจึงไม่เหมือนกันทําไมจึ ง, งโง่ทําไมจึงฉลาดทําไมจึงพิกงพิการทําไมจึงร่ํำรวยทําไมมีสติปัญญาต่างกันเพราะเหตุไรเพราะพระพองค์มองมองมองมอ ง, มอ ง, มองดูแล้วไปหาต้นตอดูแล้วแต่ละวิญญาณแต่ละคนเป็นมาด้วยกรรมทั้งนั้นกรรมคือการกระทํา ถ้าคนไหนทําดีกรรมดีจะให้ผลถ้าคนไหนทําชั่วกรรมชั่วจะให้ผลกรรมนั่นแหละเป็นบ่อเกิดเป็นผู้อํานวยอวยพรให้กับพวกดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณถ้าหาว่าใครใครทากรรมชั่วกรรมชั่วก็อํานวยอวยพระให้คนนั้นไปตกต่ํำไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่ไปตกนรกหมกใหม่เป็นคนพิกลพิ ก, การเพราะอะไรเพราะทํากรรมชั่ว ถ้าว่าทํากรรมดีกรรมดีก็จำหน่วยอวยพอรอีกเหมือนกันเนะี่ยไปในทางที่ดีสูงสง่งขึ้นไปเรื่อยๆจากนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีสติมีปัญญาแล้วก็มีทรัพสมบัติเป็นคนไปที่ไหนก็ปรารถนาอะไรก็สิงสมความมุมา่นปรารถนาเพราะว่าบุญกุศลเป็นเครื่องอํานวยอวยพรเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่ากรรมชั่ว อย่าทำเสเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นอากตังลูกตังเสยโยปัจฉาตปฏิดูกตั ง, ยยตตงนี่แหละทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกกล่าวเอาไว้จากนั้นพอถึงจวนสว่างท่านก็ได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณชำระพระทยัยใจของพระองค์ให้หมดจดจากกิเลสราคะโทสะโมหะ หลุดหลอกจากพระไทยของพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นอันนี้คือแนวแถวของพุท ธ, ธะคือพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ในวันเดือนหกเพนแต่ทะนี้เราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปูล่ลาดหลวงตาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่เป็นลูกศิษย์ญาติศิษย์ของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านสอนอยังไงแนวแถวต้นตระกูลของเราหลวงปู่มั่นท่านบอกว่า ให้ภาวนาพุทธโธเนอะแต่ถ้าเราภาวนาพุทธโธถ้าเราำกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านกำหนดนั้นมันหลุดได้ง่ายมันลืมได้ง่ายมันหลงได้ง่ายมันหลงเงื่อนง่ายเพราะฉะนั้นให้สำทับพุทธโธเขาด้วยนะหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธนะนี่แหละเมื่อเรานั่งขัดสมาธิอย่างที่วาด แขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงจากนั้นก็กําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจกลับบริกรรมว่าโถแต่หลวงตามหาบัวท่านก็เคยพูดนะท่านก็พูดว่าสมัยก่อนเราก็กําหนดอย่างที่พระพุทธเจ้ากําหนดกําหนดลมหายใจเข้าออกธรรมดาแต่มันหลุดได้ง่ายมันหลุดมันเสื่อมได้ง่ายพอมาอยู่ยกับหลวงปูมงป่มั่นหลวงปู่มั่นไว้บริกรรมเนอะมหาเนอะ จากนั้นเราก็ยึดตามแนวแถวที่หลวงปู่มั่นบอกบริกรรมหายใจเข้าพดหายใจออกโทเวลาเดินจงกรมขาขวาพดขาซ้ายโทเวลาปัดกวาดเวี่ยงขวาพดเหวี่ยงซ้ายโทมีสติสัมปชัญญะในทุกอริยาบทบังคับให้อยู่ให้รู้ให้มีสติสัมปชัญญะในทุกอริยาบทจากนั้นใจของเราก็รวมสงบลงเป็นหนึ่ง หลวงตาท่านก็พูดเพราะนั้นคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้คือแนวแถวที่หลวงปู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้พวกเราปฏิบัตินะถ้าว่าผู้ใดก็ตามนั่งภาวนาพยายามนี่แหละการฝึกจิตฝึกใจเนะี่ยเป็นผลตรีสืบเนื่องไปจนถึงเท่าแก่ชลาถ้าว่าพวกเราไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจไว เมื่อเท่าแก่ชลาไปเนี่ยพวกเราจะว้าเวอ้างวางเงียบเหงาซึมเศร้าอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเห็นผู้เท่าผู้แก่บางคนนั่งขึ้นไปแล้วก็ซึมเศร้าลูกหลานไม่มาหาลูกหลานไม่ให้ความสําคัญลูกหลานของเราเนี่ยไปที่ไหนมันมาคอยเอาตั้งแต่สมบัติของเราเมื่อเราตายนั่นแหละลูกหลานจึงจะแห่เฮโลกันมาแบ่งเอาสมบัติของเรา เดี๋ยวนี้เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ลูกหลานหายหัวไปหมดทีนี้คนแก่ก็คิดมากพอคิดมากก็ซึมเศร้านี่แหละคือคนไม่ภาวนาถ้าคนที่ภาวนาเลยสู่เจ้าจิตนี้ไปที่ไหนก็ไปเถอะวะข้าเนี่เกิดมาใช้กรรมของข้าเองข้าเกิดมาใช้กรรมของข้าเราเกิดมาเราเกิดเองเราตายตายเองสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีมาเราทา อันไหนที่เป็นสมบัติของข้าข้าจะเอาไว้อย่างไรเราจะใช้จ่ายอย่างไรเราจะแบ่งให้ลูกหลานอย่างไรมีสติสัมปชัญญะรู้จักแบ่งอะไรเสร็จเรียบร้อยไม่หวังพึ่งใครทั้งหมดในจักรวาลหวังพึ่งแต่ลมหายใจเข้าออกตัวเองเท่านั้นแหละหายใจไม่เข้าตายหายใจไม่ออกตายพวะนั้นผู้ที่ภาวนาไม่กลัวตายในะะันะัตทาญาติโยมลูกหลานนะแต่จะว่าไม่กลัวจริงๆก็ไม่ใช่ แต่ว่าจะว่ากล้าก็ไม่ใช่จะว่ากลัวก็ไม่ใช่แต่จะทำอย่างไรได้เราเกิดมาแล้วจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมก็คงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะนั้นข้อสำคัญให้เราคิดไว้แล้วก็ประกอบคุณงามความดีเอาไว้เมื่อมีคุณงามความดีในจิตในใจบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราแล้วกลัวกระเทานั้นไม่กลัวกระเท่านั้ น, ว เ, เ, น, นเวลาจะเป็นอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องระลึกถึงคุณงามความดีของเรา และเลือกถึงบุญกุศลของเราและเลือกถึงใจของเราเนี่แหละมันจิตใจของเราจะไม่ว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงานณะจิตใจจะอาจหันกล้าหาันลึกๆ อ, อ, อะไรก็ได้ถ้าคนภาวนาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นผลสืบเนื่องเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราฝึกไว้แต่เนิน่นๆในการธประพฤติปฏิบัติธรรมจากนั้นเมื่อภาวนา เมื่อกำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วหลวงพ่อจะเรียงลําดับให้ฟังทีเมื่อหลวงปู่มั่นที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนแล้วให้นั่งภาวนาเนี่ยกหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนักแล้วก็ถ้าว่ามันลดมันเผลอไปให้บริกรรมทีๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่จะพูดออกปากนะคือเอาใจของเราเนี่ยบริกรรมสำทับอยู่ที่ใจของเราพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้คือภาวนา พุทโธเออแต่ถ้าหลวงพ่อเองบอกว่าหลวงพ่อเคยแนะ น, นาําคณะสัตธาญาติโยมเพราะหลวงพ่อเองเคยเคยปฏิบัติกับตนเองให้นองนับดูนะสัตธาญาติโยมลูกหลานนะน้องนุ่งทั้งหลายนะภาวนานะเนี่ยเวลาหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองนับสนับสนับห้านับหคือหายใจเข้าเนี่ยหนึ่งหายใจออกสองหายใจเข้าสามหายใจออกสี่หายใจเข้าห้าหก และีมันถ้ามันจะเผลอมันจะเบอเบอร์เบอร์เสร็จแล้วเวลาหายใจเข้านั่เป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่หนึ่งสองสามสี่ขี้คู่คี้คู่คี้คู่ไปถึงร้อยถ้ามันจะเผลอมันจะเบอร์เบอร์เสร็จแล้วมันจะเข้าคู่มันจะออกขี่ทิ้งเยเออมันจะเข้ามาเป็นเลขคู่มันจะออกเป็นเลขขี่อันนั้นแปลว่าเราเผลอละเราเผลอเผลอบ่อยไม่ดีนะไม่เป็นผลดี ตั้งตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นมาใหม่อีกให้เข้มแข็งนับให้ถึงร้อยดูสิไม่ให้เผลอได้ไหมนี่แหละอันนี้ก็คือให้พวกเราท่านทั้งหลายฝึกสติให้เข้มแข็งถึงต้องบังคับนะไม่ใช่ธรรมดาในะการฝึกนี่น ะ, เ, ะเพราะเราจะให้ทําตามใจของตัวเองมันเป็นไปไม่ได้หรอกเหมือนกับเด็กสมัยเด็กเรียนหนังสือเราเคยเห็นมาเด็กเกิดขึ้นมาแล้ว ไปให้ไปเรียนหนังสือใช่ไปวันสองวันเนี่ยวันแรกมันก็จะสนุกกับหมู่พราะที่สองไม่อยากจะไปแหะผู้ใหญ่เห็นคุณค่าก็ต้องบังคับไอ้หลานไปไปเรียนหนังสือบังคับให้ไปแล้วก็ไปฟอกให้เรียนพอในสุดเมื่อเขาเรียนติดโรงเรียนแล้วยังค่อยว่ากันอันนี้ก็เหมือนกันเวลานั่งภาวนาทีแรกนะ่ยจะให้มันสนุกภาวนากับไปเลยไม่ได้เพราะมันยังไม่เคยมันปวดแข้งปวดขาใจมันก็ไม่สู้แต่ต่อไปบังคับ บังคับให้ภาวนาพอบังคับเข้าไปถึงในจิตใจสงบถึงในร่มเย็นเป็นสุขลึกๆแล้วมันติดเองถีงในถ้าไม่ได้ภาวนาไม่ได้เหมือนกับขาดอันหนึ่งในตัวของเราในวันนี้เพราะต้องในนั่งภาวนานั่งภาวนาจิตใจสงบแล้วมันรู้สึกว่ามีความสุขลึกๆในจิตใจเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งภาวนาเนี่ยใหม่ๆล้วก็ต้องบังคับอย่างดีว่าต่อท้าว่าต่อไปแล้วเราก็มันเป็นไปเองถึงพอเป็นไปเองน่ย มันเคยชินแล้วกันสงบเลยทีนี้นี่แหละอันดับแรกวิติจิจสงบนี่ย ห, หลวงพ่อจะบอกให้ฟังเป็นแนวทางเมื่อนั่งภาวนาจิตกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะไม่คิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่คิดถึงอนาคตเป็นยังไงเราไม่ได้สนใจเราให้ให้เรามีสติอยู่ที่ปลายจมูกขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เท่านั้นเออ เรานั่งเข้าไปบังคับให้อยู่กับจุ ด, จดนี้ถ้าเรานั่งครั้งไหนเราก็พยายามให้อยู่ในจุดนี้ต่อไปอีกสักวันหนึ่งไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่เวลาใดก็ตรงเวลาหนึ่งจิตของเราจะรวมสงบมันจะเข้ามามันจะรวมเข้าไปส่วนจุดหนึ่งพอเราอยู่ในจุดนั้นมันจะมีจิตใจเย็นสบายภาพเหมือนกับมีแสงไฟฉายหรืออะไรสายเข้ามาในตัวของเราหรือสายในใจของเรา มีความสุขผิดปกติอันนี้แหละคือจิตของเราเริ่มสงบแล้วนะทีนท่นัที่นี่อันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิจิตใจที่เริ่มเป็นสมาธิแล้วต่ต่อไปแต่เราพยายามเมื่อคืนเนี่ยนั่งภาวนา ม, มันมีความสุขจริงๆอยากให้มันเป็นมันจะไม่เป็นน ะ, เ, ะเราไม่ต้องไม่ต้องอยากจะให้มันเป็นเราต้องหาใหมา่อีกกำหนดที่เก่านะั่นะทํอย่างเกา่าพุโพุโต่อไปจิตใจของเราจะรวมสงบ เรื่อยเรื่อยเรื่เพราะมันเป็นพื้นฐานขึ้นมาแล้วทีนี้เมื่อจิตเป็นขณิกะสมาธิต่อไปก็เป็นอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี่เราบริกรรมสติกับจิตเนี่ยจิตเรานึกคิดอะไรสติของเราทันทันความนึกคิดของเราเรานึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้ใจของเรามีสติมีสติครอบในสมาธิสมาธิของเราครอบครอบจิต จิตเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้แปลว่าจิตอยู่ถ้าจะว่าอีกส่วนนึงก็คือจิตอยู่แต่ไม่ถึงกับสงบแต่มันอยู่มันอยู่ในในความในคอนโทรลของเราในในที่เราบังคับให้มันอยู่ เ, เพราะมันอยู่อยู่โดยอัตโนมัติของมันจิตใจก็เย็นสบายมีความมีความสุขจิตใจไม่หิวไม่ห้อยไม่กระวนไม่กระวายอยากจะให้มันคิดเรื่องอะไรกาหนดดูแล้วก็พิจารณาดูนี่แหละ จิตที่เป็นอุปจารสมาธิจากนั้นเมื่อเรากาหนดดูอีกมันจะสงบลงไปอีกนั่นงลงขานี้แปลว่าลงมันจะเหมือนวางคนก็เหมือนกับตกเหวตกบอ่อเหมือนกับมีอะไรตกอะไรมันวาบแล้วก็ลงไปหยุดทีนี้เมื่อจิตสงบถึงลงไปลักษณะอย่างนั้นเท่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินี่จะมีความ ร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขในใจลึกๆสติเป็นอันใดจิตเป็นอันา น, านั้นจิตเป็นอันใดสติเป็ น, น, า น, านอันนั้นอันนี้แหละคืออัปปนาสมาธิเนืเมื่อจิตที่รวมเป็นอัปปนาสมาธินี่จะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจเนี่ยเป็นขนละอันกันเห็นได้ชัดเลยทีนี้เพราะว่าในขณะที่รวมเป็นอัปปนาสมาธินี่ใจของเราจะไม่รับรู้ทางกายนะ กายของเรานั่งอยู่ที่ไหนไม่รู้เสียงอะไรฟ้าร้องเสียงฟ้าผ่าเสียงรถเสียงลาเสียงคูยเสงไม่จิตใจไม่รับสัมผัสทางหูเลยเใจกับกายเนี่แยกกันได้ชัดเจนในเมื่อถึงเวลามันก็เข้ามาสู่ร่างกายสัมผัสได้ปกติแต่ขณะนั้นเน่เราออกไปอยู่อีกมิติมิติหนึ่งเรารู้เลยแล้วโอ้ ที่ว่าตายแล้วศูนหรือตายแล้วเกิดเนี่ยมันเพียงแค่นี้ก็รู้ได้แล้วเนี่ยตายแล้วไม่ศูนแน่แต่ร่างกายนี่ยศูนแน่ๆ แ, แต่ว่านามธรรมคือตัวผู้รู้คือใจดวงนี้นะไม่ศูนย์มันเห็นได้ชัดเลยเจนเลยะฉะนั้นหลวงพ่อจึงเปรียบเทียบให้พวกคณะสัตธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังแต่ในพระไตรปิฎกะอะไรไม่มีแต่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังว่าจิตสงบประเภทนีนะคณะสัตธาญาติโยมลูกหลานน้องนุ่งทั้งหลายนะ เราเปรียบเทียบเลยว่าร่างกายเหมือนกับรถแต่ใจของเราเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถเนี่ยรถเนี่ยมันเหมือนกับถ้าไม่มีคนขับนะรถจะไปได้ไหมไปไม่ได้ใจของเราเหมือนซเฟอร์ร่างกายของเราเหมือนกับรถแต่มันอาศัยกันอยู่รูปรูปปัตหกรรมกับนามธรรมอาศัยกันอยู่แต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้ามโนปุพัง คำมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจถ้าเราจะพูดให้ชัดเจนลงไปว่าเรื่องทั้งหลายรถทั้งหลายในรถคันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าโซเฟอร์เป็นผู้สําเร็จ ด, ด้วยโซเฟอร์ถ้าโซเฟอร์จะขับรถคันนี้จะไปให้ชนกระโดดลงเหวก็ได้ชนคนก็ได้ เหยียบอะไรก็ได้บีบแกดา่าใครก็ได้แอนโซเฟอร์ทำได้ทั้งนั้นแอแต่ถ้าโซเฟอร์ออกไปแล้วรถคันนี้มันก็ทำอะไรไปได้มันก็อยู่เฉยๆข้างมันแต่เมื่อโซเฟอร์เข้าไปแล้วจะตัดเครื่องแล้วขับรถคันนั้นออกไปรถคันนั้นแอจะต้องกระโดดไปตามโซเฟอร์ต้องการเพราะนั้นพระคุรย์เจ้าท่านว่าโซเฟอร์เป็นใหญ่ โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยโซเฟอร์เพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านศีลธรรมเนี่ยอบรมใครอบรมกายใช่ไหมไม่ใช่อบรมโซเฟอร์อต้องเอาศีลธรรมเข้าสู่โซเฟอร์โซเฟอร์ต้องเรียนรู้รับรู้เรื่องสมาธิเป็นยังไงเรื่องปัญญาเป็นยังไงเรื่องศีลเป็นยังไงโซเฟอร์ต้องรับรู้ถ้าโซเฟอร์เป็นคนดีมีมารยาทมีจริยธรรมที่ดีแล้ว รถคันนั้นก็ดีนี้ก็เหมือนกันถ้าใจของเราเป็นจัางอ่งพระพุทธเจ้าใจของท่านเป็นพระพุทธเจ้าร่างกายของท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าถ้าใจของท่านเป็นพระอรหัน์ร่างกายของท่านก็เป็นพระอรหันทสรุปแล้วก็คือใจของท่านท่านให้ความเรื่องของใจสำคัญมากกว่าเรื่องของกายเพราะนั้นขอขให้คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะเรื่องภาวนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องอื่นกายนะ เป็นเรื่องที่อบรมใจถ้าอบรมใจได้ดีแล้วนั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านกล่าวเอาไว้เพราะนั่นใจของเราเนี่แหละสั้ง ส, สิ่งทุกอย่างออกไปจากใจเพราะนั้นเรามาไหว้พระสวดมนต์ก็ดีแล้วพาร่างกายมาไหว้พระสวดมนต์ก็คือใจนั่นะสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่ใจแต่อาหารของใจกับอาหารของกายนะั้นต่างกัน แต่พวกเราเนี่ยโลกทางโลกเขาเขาให้ความสำคัญเรื่องของกายมากกว่าเรื่องของใจแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุเทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายเรื่องของทางโลกเขาให้ความสาคัญยังไงเรื่องของกายเราต้องขยันหาทรัพย์เรียนหนังสือจากนั้นก็หาเงินคำทรัพย์สมบัติได้เงินมาแล้วกซื้อปัจจัยสี่ซื้ออาหารอย่างดีซื้อผ้าห่มอย่างดี แล้วก็ซื้ อ, อที่อยู่อาศัยอย่างดีมาปนปืนอร่างกายอาหารการบริโภคแล้วก็ผ้านุ่งหม่มยาแก้โรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ที่พักพาอาศัยหรูหราอ่วอันนี้คืออาหารของกายแต่ส่วนอาหารของใจต่างหากนะไม่ใช่อาหารอย่างนี้นะอาหารใจต้องมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้แหละอย่างคณะทธาญา จ, จม มาไหว้พระสวดมนต์มานั่งภาวนานี่็คือเอาอาหารเข้าสู่จิตใจเพราะนั้นอาหารกายกับอาหารใจในต่างกันนะต้องศึกษาจุดนี้เพราะนั้นในการกล่าวในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาแต่หลวงพ่อได้ยกพุทธประเิฐเบื้องต้นว่าปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังวันนี้พวกเราคณะสัตยายาจอมทั้งหลาย ได้มาวันเกิดของท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณของพวกเราพวกเราได้มาแสดงมุทิตาสักการะได้มาในวันเกิดของท่านเจ้าคุณท่านแลวพวกเราประกอบคุณงามความดีบูชาพระคุณของท่านการบูชาพระคุณนี่มีมากหลากหลายพ่อแม่ก็เป็นบุาานบคคลที่ควรบูชา จากนั้นกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นบุคคลที่ควรบูชาแต่ท่านจุคุณของเราเนี่ยขจัดว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่พวกเราให้ความรักเคารพนับถือเลื่อมใสเป็นบุคคลที่พวกเราแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตามุทิตาสักกะระเพราะฉะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเพราะนั้นด้วยอํานาจ คุณพระศีรษ ะ, ะนาฏไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกอนุภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเรารักเคารพนับถือเลื่อมใสอนุภาพบา ร, รมีของท่านพระเดชพระคุณที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมานมนานก็ขอให้มาคุ้มครองให้พวกเราท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญ ทั้งคดีโลกและคดีธรรมปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกทุกท่านด้วยเทอนินอะทู